สิบเก้าพระมุตตาเทรีภิกษุณีผู้พ้นจากความค่อมสามอย่างชาสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวของปรามยากจนตระกูลหนึ่งในโกสนชนบทแต่อธกถาอ้างคำภีอปทานว่านางเกิดในสกุลปรามที่มีทรัพย์อยู่แต่ในนิเวศไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามบนพื้นปัทภีเวลาจเจริญวัยแล้ว บิดามารดาได้ยกนางให้แก่พรามค้อมคนหนึ่งเธอไม่ชอบครองเรือนกับพรามค่อมนั้นเธอขออนุญาตเข้าออกบวชและเจริญวิปั ส, สนาครั้งนั้นจิตของเธอพลานไปในอารมณ์ภายนอกเธอข่มจิตนั้นแล้วกล่าวเตือนตัวเองว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วด้วยดีเป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบเป็นต้นขวนขวายเจริญวิปั ส, สนาจนได้บรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วเมื่อเปล่งอุทานพระเถรีก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเป็นผู้พ้นด้วยดีเป็นผู้พ้นโดยชอบด้วยความหลุดพ้นจากความค่อมสามอย่างคือค่อมเพราะกรกหนึ่งขอมเพราะศากหนึ่งอมเพราะสามีหนึ่งเป็นผู้พ้นแล้วจากความเกิดและความตาย ถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบได้แล้วพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระคาถานั้นมีอธิบายว่าพระเถรีพ้นจากความค่อมหรือความคดสามอย่างคือเมื่อใส่ข้าวเปลือกลงในครกแล้วก็ใช้สากตามและกลับไปมาย่อมต้องก้มหลังส่วนอดีตสามีของท่านนั้นเป็นคนหลังค่อมอยู่แล้ว พุทธศาสนาสุภาษิตยัตถาอิททางตถาเอตังยทาเอตังตถาอิททางทุกขันทางปูติกังวาติพาลานางอภินันทิตังร่างกายหญิงเนรมิตขึ้นนี้ฉันใดร่างกายของเธอนั้นก็ฉันนั้นร่างกายของเธอนั้นฉันใดร่างกายหญิงเนรมิตขึ้นนี้ก็ฉันนั้น ร่างกายเป็นของเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปที่พวกคนขาวเพลิดเพลินกันยิ่งนัก